อางนั้นได้เปิดเผยหลักฐาน ต, าต่างๆแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ในชั้นฟ้าและผ่นดินในภูเขาและที่ราบลุ่มในท้องทะเลและแม่น้ําในน้ําที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเรือเดินสมุทรที่อยู่ในท้องทะเลในปศุสัตว์ซึ่ง Allah อัลลอฮ์อานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เพื่อพวกเขาใช้บริโภค และใช้เป็นผาะนะบทนี้ได้กล่าวถึงสังคมสมัยยาฮิลียาที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเชื่ออย่างงมงายและการบูชาจเจว็ตโดยที่พวกเขาเกลียดบุตรหญิงแต่ในเวลาเดียวกันก็ยัดเยียดบุตรหญิงให้แก่อัลลอฮ์ด้วยความโง่เขลาเบ า, บาปัญญาโดยอ้างว่ามาลิก้าเป็นบุตรหญิงของอัลลอฮ์องการต่างๆได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเพื่อกจัดความเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา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 บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของมูซาที่ปลีกตัวออกจากการฟิร์อาลเพื่อยือนยันถึงข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือฟิร์อาวผู้มีความหยิ่งยโสมีความภูมิใจและโอหังต่อมูซาในอำนาจการปกครองของเขาเช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของพวกชาวกุรเรษได้แสดงต่อท่านนาบีสลลัลลอฮวะฮสลัม ดังนั้นบ้านปลายของเขาก็คือการจมน้ําตายและความพินาศอย่างย่อยยับบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสภาพบางส่วนของวันปราโลกและความน่ากลัวของวันนั้นและได้ชี้แจงถึงสภาพของผู้กระทำรรความผิดโดยที่พวกเขาโอดครวนอยู่ในขุมนรกบทอัซุกรุฟถูกขนานนามเช่นนี้เพราะในบทได้มีการยกอุทาหรณ์อย่างน่าประหลาดถึงความเพลิดเรล้วของโลกนี้ ความเพลิดเพลียดังกล่าวได้ทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่เคลือบเคล้มไปกับมันดังนั้นอัลลอฮ์จึงประทานความดีในโลกนี้ส่วนในปะโลกอัลลอฮ์จะไม่ประทานความดีให้คนชั่วด้วยเหตุ น, นี้คนดีและคนชั่วจะรับความดีในโลกนี้ส่วนในปะโลกนั้นอัลลอฮ์จะไม่ประทานความดีแก่ผู้ใดนอกจากบวงเบาของพระองค์ผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงเท่านั้นโลกนี้จะต้องพินาศสูญสลาย ส่วนพระโลกนั้นจะอยู่ยงไปตลอดกาลด้วยพระนามของอัลลอะ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมวัิาบิลมบีนฮามีมขอสาบานด้วยคำพีอันชัดแจ้ง อินนจัลลลกุุรรบคมตแท้จริงเราได้ทําให้มันเป็นกุรานภาษาอับเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจว่าอินน์ฮุฟีอุมม์ลกิตาบิลเดยนาลาฮียุน حكيم และแท้จริงอัลกุรานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคำพีณัทที่เราคือสูงส่งพรัง่งพร้อมด้วยสติปัญญา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 และไม่มีนบีคนใดที่ได้มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้เยาะเย้ยเหยียดหยามเขาฉะนั้นเราจึงได้ทำลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา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 และเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่และทรงทำให้มีเรือและปัตุสัตว์สำหรับพวกเจ้าใชา้ขี่เป็นพาหนะ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 และเรานั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมมันได้ ا إ และแท้จริงเราต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอน ا. إ และพวกเขาได้ตั้งบางส่วนจากวงบ่าของพรุง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 และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสรงค์พวกเราจะไม่เคารพสาการะมาเลย์กาดอกพวกเขาไม่มีความรู้อนใดในเรื่องนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการคาดคะเนเท่านั้นหรือว่าเราได้ประทานคัมภีร์เล่มหนึ่งแก่พวกเขาก่อนหน้านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือคำพรนนั้นไว้อย่างมั่นคงปล่าเลยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบนรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทาง น, นี้ ดังนั้นเราจรึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขาเท่านั้น และเช่นนั้นแหละเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดก่อนหน้าเจ้าไปยังเมืองใดเว้นแต่บรรดาผู้ฟุ่มฟวยของเมืองนั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ดังนั้นเราจึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขา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 ครั้นเมื่อศัจธรรมได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือมาอยากลและแท้จริงพวกเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อศัจธรรมนั้น